มันอ้อยมันอิงมันเพิอยู่ในนั้นเฉพาะไม่เกี่ยวกับอะไรหรอกไม่สนใจอะไรนั้นเพิค์นมันอ้อยมันอิงมันอัศจรรย์ฮอดูสินัน่นอ่ะตัวว่ดจาวัดจักรแท้ขนาดนั้นอ่ะพอถึงแล้วถรู้ตัวของมันแทบ oh, โอ้โหมันขนาดนี้วนมันแสดงไปโน่นมันถึงได้หลงเพีย้ยนยำยาของมันอันนั้น มันส่งสมุนต์ลงไปไหนหลอกไหนติดหมดติดหมดขัดโรคติดหมดติดหมดเข้ามาตื้อุนตัวมันมันฉลาดยิ่งกว่าใครมันละ อ, าอาดยดละอยิ่งกว่าอะไรเงั้นความต่างห่างคาเผยความสะอาดเหมือนกับว่าโว้ย ม, ม, มีอะไรสู้อะความคงอาจกล้าหาญเด่นร่างกายไม่มีเลย เพราะอํออนนานาจของอวิชานี่มันส่องแสงสว่างหมดเลยนั่นแหละว่าไงนั่นน่ะนั่นแหละจอมกระสับวัตถะกระแท้จอมวัตถะกระแทะที่คล้องหัวใจอมันสว่างหมดในร่างกายนี่ไม่มนีเงามันก็เป็นร่างที่เฉยสักการ์ร่างเป็นเงาเงาไม่เกความสว่างนี่มัน อืมฮืมฮืมฮึมไปเล่นลวอกอยู่กับพี่ของมันก็โน่นเวลามันทางทลายขประจักษ์จิตน่นมันถึงได้เห็นนะที่นี่กลับโครงข้ามมาใน้ น, นะไอที่ว่าอาจารย์ เหมือนกับเหนือโลกนงฐานนี่กลายเเหมือนกองที่ควายกระดนทิ้งตื่นแล้วิ้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไอมขนาดนี้เจ๋งลยขนนี้คือธรรมชาติที่มันถูกครอบมันจเต็มกว่านี้อีกเท่าไหร่ความพิเศษนั่นน่ะนะท่านท่านจึงว่าทาอัศจรรนั่นแหละออัศจรรู้จักอัจารพอนั้นมันช่อัจรรพาอวิชัยนะอัศจรรอนั้นพอชาขาะวันกนแล้ว อันนั้นที่เี่แสดงตัวมาเต็มที่เนี่ยที่พระองค์พระไทเรื่อทั้งๆนีหนึ่งมุ่งความสัตรรจะลูกสองพวกความเป็นสัตจดาสอนโลกให้พอา ม, มาถึงตุกจริงๆนี่แล้วทรงพระาไทเลยโอ้โหลงขนาดนี้ใครจะไปรู้ได้เห็นได้เนี่ย มันสุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้แล้วถึงขนาดนี้แล้วเลยทอดพระไถ่ความมังฝ่ายน้อยในขั้นเริ่มเนี่ยทียังม่หยิ่านออกไปนะปัจจุบนจันที่เจอคนที่แรกอะป็นทอประไถ่โอ้โหลงขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครถ้าพูดภาษาเราก็เขาจะหาว่าบ้าหรว่ามันวูดยังไเพราะว่าสมัยเขาจะว่าบ้ากันทั้งโลกนี่ความมังฝ่ายน้อย กมันก็ไม่นานที่นมันก็จับอตัวนั้นแหละถ้าว่ามันถูงวิสัยความโลกที่จะรู้ได้แล้วเราเป็นอะไรน่ะเราวิสัยวิสุกว่าโลกเป็อะไรแล้วถึงมารู้ได้เรารู้ได้เพราะเหตุไรรู้ได้เพราะข้อปฏิบัติเนี่ยก็มือมือข้อปฏิบัติสอนเข้อปฏิบัติเขาทําเขาจะไม่รู้ไม่ได้ไหยก็คือปฏิบัติธรรมวิธีการอย่างนั้นนั้นนั้ น, นเอาอะไรที่มีแก่พระไทยเป็นพระเมธ <c oughs> มา เอานั่งกับพมมาจโรกาอพอไปสอนเป็นเจ้าพีตั้งห้าได้เป็นเจ้าพยานเออเอาละนี่นาน พ, พระพงค์ความพระยานนี่นะลงอย่างส้ากาหนดประบาประเบริโรการ์นังเรียนยานดูสัตว์โลกด้วยพยานอันกกระจ่างเชื่ใครมีปณิสัย ใ, ใจที่จะควรได้จัสรูธธร้ทำปกเทศอสังันี่ก่อนใคร เปินดาวบททั้งสองคือเคยเป็นครูท่านก่อนก็ทราบความโอ้เสียนายเ่ยตายสะมุ่อวันเย็นวานนี้เนี่นาอีกเป็นตว่าขีดแน่ปุ๊บเลยเสด็จเลยราจะแดงทิ้งดูดูุมีอันตายไเจอเนี่ยใช้าบ้าน่าหนักคนยากอ่ขึงละรูบิธครม ยังิตสับปังนี้โดยธรมยังจิตสมุทัยธรมสับประดังนีโรทกถึงอย่างเกิดแล้วต้องดับทัดถึงจิตอัญญาเนี่ยได้รู้ความจริงขึ้นมาในขั้นเริ่มแรกของธรรมเป็นความจริงธรรมคือโสดาโพงก็ทรงเปิดุทางขึ้นะอันาชุบตะโกคนนั่นอยู่อานญาชุบตะโกคนนันอยู่ัญญาได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอจากนั้นก็สะดัอันนั้นะลักณะสุ ลูปังอนิจจังลูปังอนัตตาเวทนาอนิจจาเวทนานัตตาสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตาสังขารอนิจจาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังถูกขังวิญญาณังอนัตตาฟังไปอืออย่ายุ่งสิมเนี่ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งนั่นปุ่นยังง่ายภาษาเราภาคปฏิบัติอย่าดุ้งปลอยไว้ทำไมามันติดพันธุ์ทำไมปลิงเนี่ยมันดูดเลือดดูดเนื้ออย่างนี้เห็นไหมปลิงทั้งหมดแล้วเนี่ยปุดนยังง่ายว่างั้นนะ ดึงออกดึงออกด อ, อกแต่ว่าทำพลาดปฏิบัติทําไมมันมีอยู่นะในจิตเนี่ยเราก็ปฏิบัติมาตามบาสิบภาษาของเท่านเทศอั น, นใกล้รักโอ้ท่านเทศอนัตตาอนัตนตาละนณะสุนี้ฉันละผิดอันนี้เขาพูดอย่างหนึ่งว่าหนึ่งถ้าท่านเทศให้ ผู้ผู้เก่าเก่าฟังก็แท้ให้พระอันเป็นเจ้าทีั้งห้าใหม่ๆหม่ทั้งนั้นท่านสมัครทั้งเทพเพียงเข้าหนีเนี่ยมันจึงทำให้พิจารณาถึงเรื่องผู้อ่ารจนาหนังสือว่าเป็นคนเช่นไรอีกทีหนึ่งโนนตอนไปรับกันได้จริงๆหรออริสตาปียาจะกรสุนหาที่ค้านไม่ได้เลยทางภาคปฏิวัตรูปัสิปีิบิดาติเนี่ย นี่สรุปเอาเลยนะเป็นยาเนปีดิบินิติญาสัมผัสแท้ปิณิบินิติจาไปดังยั ง, ง, ยงลืมไหมล่ะารมานจนมาว่า น, นี่ก็ลืมถ้าสวดเป็นคสวดไม่ลืมนะนี่ของสวดได้ี้คือเบื่อรูปเบือเบ่อนายใ น, ในสิน่งนี่สิ่งที่สัมผัสกับรูปเบื่อนายในเวทนาความรักข้ามในรูปแล้วก็เบื่อนายไปเรื่อยๆ ชุดท้ายมานัธมิ่งปีนิบิลิตินั่นตอนจะเอายิงจริงนะเบื่อหน่ายในายจีบผุ่นนนะ์ฟังที่นั่นนะอะอวิชัยตรงนั้นไปถือได้หรือตรงนั้นน่นมนัธ ม, มิ่งปีนิบิลิติทำเมสุปินิบิลติอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตก็ก็เบื่อหน่ายคำหมายว่าเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษพูดงานพูงายว่างั้นแหละแล้วอาการที่เกิดขึ้นจากนั้นทั้งหมดเห็นโทษหมด ทำาิ้งปิลมยตีทำเมสปิลมีเดียตทำทำเมสปิลมีเตีทำเมวิญญาในปิลมีเทำเมสัมพระเจ้ปิลมีิดีมี่เปดังอะไรรือไปแล้วแลก็ตัดทิ้งปิลมตินั้นสรุปความเลยว่าเบือหนายทั้งหมดบรรดาที่อยู่ในกิตนี้ที่มาเกี่ยวข้องกับจิตนี้เบือหน่ายทั้งหมดคือหมายความเห็นโทษทั้งหมดนี่เป็นดังวิราชติวิราชวิลากายมุสติเมื่อเบือหนายทั้งหมดแล้วก็วิราชติ ผิดก็ย้ำบุกวันเวาวิมุตตินั่นเมื่อได้เห็นโทษทั้งหมดแล้วก็เบื่อหน่ายคำว่าอกําหนักกาหนักนี้ไม่ได้หมายถึงว่ากําหนักยินดีแบบระดัแบบอย่างนนะหมายถึงความยินดีและละเอียดตามานความพันนั้นท่านไม่มีชื่อที่จะให้เรียกท่านก็เลยเรียกว่ากําหนักเฉยเบือนยินดีความจริงมันทำน้ำทำละเอียด แต่หาคําที่จะพูดให้ละเอียดเหมือนนั่นมันไม่มีขบวุฒิสัตย์นิยมวุฒิมีติญาณังโคติพอเบอร์นายชาความกําหนัดยินดีเสร็หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จิตก็หลุดพ้นขุฒินิยมวุฒิมีติญาณังโคติเมื่อยานเมื่อความรู้แจ้งหลุดพ้นว่าหลุดพนแล้วเมื่อความหลุดพนแล้วยานความรู้แจ้งชัดว่าจิตหลุดพนแล้วก็ย่ำปรากิขึ้นพร้อมๆกันงามตรงนั้นหาที่ค้างมาได้ตั้งแต่เรื่อยไปตั้งแต่นี่แะ แต่อันนัแต่ละคณะศูนย์นี่ท่านพูดไปเพียงรูปเวทนาสัาสงขารวิญญาณ<น>เบื่อหน่ายในในรูปเวทนา ส, นาสานังขารวิญญาณเป็นอะไรยังทุกขังล่างกาเมืเ่อวบ่อ น, น่ายย่อมคลายกำหนักเนีน่ยเพียงเบื่อานายเท่านี้ละคลายกำหนักคลายกำหนแล้วกิ่ล้นหมู่พ้นหลุดพ้นไปได้งไงอวิชชาอยู่ในนั้นนั่นเวลาภาพปฏิบัติมันไปแยกกันตรงนั้นต้องเข้ามานั่นอีกต่อมาเราอะไรทำให้คิดแต่ไม่ไม่อยากคิดมากไอเรามหนูตัวหนึ่งเท่าหนูตัวหนึ่งนี่ เวลาการพิจารณามันไม่อยู่เพียงแค่นั้นนะสิมันไม่อยู่เพียงขันห้าเท่านี้นี่นะมันไม่ให้อยู่จะอยู่ได้อย่างไงพอพิจารณาขันห้ามันหมดแล้วมันรวมตัวเข้าไปอยู่ที่นั่นโถมันทนโถอยู่เงี่ยเหมือนภูเขาทั้งลูกมันกองอยู่ในกิตนั่นจะไม่พิจารณาจะไม่ดูได้อย่างไงนั่นอะเวลาขันเท่ามันขาดจากการหมดแล้วตัดมันเป็นเกาะกันเดียวอยแค่นั้นแหละตอนนั้นตัดสะพานขาดกันหมดลูกเวทนาสัญญาณวิญญาณขาดกันหมดด้วยการปฏิวัติลูกได้ชัดๆอย่างนั้น ที่มันก็เป็นเกาะอยู่นั่นน่ะแล้วมันทาลายเกาะนั่นมันก็เป็นเกาะอยู่นั่นนในที่ในทะเลมันจะเรียกว่าทะเลราบเขได้ยังไงเกาะนั่นก็คือเกาะวิชามันเกาะจิตอยู่นั่นน่ะห้มจิตอยู่นั่นพอฟาดตรงนั้นขาดตะบันของมันแล้วมันก็แต่กระจายราบหมดเลยนั่นมันเห็นชัดๆอยู่างนั้นเพราะฉะนั้นถึงบอกฮาว่าจะข้ามก็ค้ามไดจริงๆนะเนี่ยเฮอออที่เราพิจารณาเัื่งกันห้าเราค้นแล้ว ใครว่าพี่เราเจอกันท่าเสร็จแล้วค้นแล้วไม่ได้เชื่อเลยว่ามันก็เหมือนกับต้นไม้ตัดแต่กินกระเจ้าเข้ามาตัดมีความเอาตัดเพียงหัวต่อเลยเถอะลากแก้วไม่ได้ถอนพวดขึ้นมามันก็นองอกขึ้นมาได้อีกถอนพุดขึ้นมาถ้าหมดแล้วกินกาาน้านและขาวยังต้องประยุกตกับมันแหละมันตายกันหมดนั่นแหละน่าข้าปฏิบัติเนี่นยมันชัดหน่อย ดุนเต้าเกาหมัดไเฉยมันธรรมุเจูาของจริงแท้เนี่ยทำไมเราปฏิบัติมันได้แต่ความเร็วไหลไหลที่มันโมโหน่ะกับผ้านะ <c oughs> สอนสอนแฉลบล่มแบตายปฏิบัติมันเร็วๆไหลไหลมันเหืืองที่เดชเยียบย่ําทำลายอยู่ในทางจงกรมอยู่ในที่สมาธิภาวนานี้แต่ที่เดชทํางาน เราว่าเราทํางานเดินจะกมจับจ้องจับยิบไม่รู้ไปไหนมีแติทีเดชทางานอยู่ในบงความเพียรมาเรามาทวงเอกค่าเอาคุณมาทวงเอนนกคะแนนมาตําหนิปีธรรมเป็นเรื่องของที่เดชมาให้เป็นอีกแหละเยี่ยวเข้าไปอีกสองชั้นสามชั้นเนี่ยมีเรื่องอะไร <laughs> พูดเหมือนบ้างพูดว่าไม่ <laughs> เราพูดกันเองพูดอย่างนี้แหละท่านอาจารย์หมอมันถึงถึงใจวะ่ะ นางภาวนายังไม่ถึงห้าวินาทีไปแล้วกิเลสลากไปแล้วไม่ทราบไปไหนี่ทวีบแล้วเจนกินจนอิ่มกลับมาพอมารู้ตัวที่ไหนได้มันกินจนอิ่มแล้วเอาตับไปหมดปอดไปหมดแล้วไม่มีเหลือคนทั้งคนไม่มีเหลือตับเหลือปอดเหลือแต่ล่างเ <S <S นออเนบ่เวลาจะรู้เรื่องของมัน ให้สติปัญญาทันเข้าไปทันเข้าไปฝึงลูกคนมันโอ้โหมันแหลมคงกันาดไหนยิ่งยับมันตรงไหนมีแต่เรื่องขอยิ่งยัเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นปูญญ่ย่าตายายมันไม่แต่ตัวรวดลายทั้งนั้นที่จะแฉมเปียนทั้งนั้นไม่ธรรมดารวดเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสติปัญญาทำไมฝึงจริงไม่ทันน า, าบอกจะทันอย่างนี้นตาก็มันตายนี่ การฝึกหัดการดัดแปลงจ้ของการทรมานที่เละของเจ้ของเพื่อมันขาดาวลังไปจากใจจะมากลัวทุกอยู่ทําไมถ้าตายกัผูเ้เดียวตายก่อนแล้วนั่นเพียงขั้นสลบเท่านั้ น, น, นไม่เห็นตายวะ่ะถ้าตายสาวสกท่านตายไปแล้วตัวไปที่เละยังไม่ตายท่านตายไปซะก่อนนะท่านที่เละมันเหนื้อทำได้จริงๆนะแต่ที่เละมันไม่เหนื้อทำที่ที่เละ จ, จริงต้องตายท่านยังได้เนี่ยพระองค์กับพระท้าแตก เป็ยังกรมพระโสนาว่าไงในตำรามึงเอาอจากสุแตกพระจักคุบานสุดท้ายกิเลสก็แตกท่านไม่ตายยังจากสู่บอดเท่า น, นั้นน่ะบอดช่างนั้นเถอะตาเนื่อนขอให้ตาใจเน็สว่างจ้าฆ่ากิเลสทีนข า, ายพอ พามเทพเป็นคนนิสัยโกโลโก๋โ ส, สเทพเมื่อไหร่สุภาพเดือนบอนต้องขอไปนะเทพผาดผล <c oughs> เป็นตามนิสัยอันนี้จะว่ามันเป็นตามนิสัยก็ถูกเป็นไปนตามเพราะว่าวิธีการฆ่ากิเลสเราเคยทายํามายังไงมันก็ไม่ค้นที่จะนํานั้นออกมาพูดจนได้เราฆ่ากิเลสเราฆ่าวิธีไหนฆ่าวิธีผ่าดผลก็ต้องเอาวิธีผ่าดผลมาพูดในหมู่เพื่อนฟังกิเลส แบบนี้ต้องใช้แบบนี้กิเลสแบบนี้ต้องใช้แบบนี้ต้องใช้แบบนี้อย่างนั้นไม่งั้นไม่ทันเพราะไม่มีกิเลสตัวใดที่สูงข้ามในหัวใจคนหันกว่าพอที่จะไปค่อยลู ก, ลก ค, คําำกิเลสก็ตายไปตายไ ป, ไ, ปตาไปลูกคำ ไ, ไปมันตายไปลูกคําไปมันตายไปโอ้โหมันก็เรียบพูดหมดนล้นกิเลสคิดหายหมดเลยเปัญหาที่เาขาศึกกิเลสไม่ได้เต็มแผน่นดินเต็มโลกทั้งท เพรใครลูกไปที่ไหนที่เลสก็ตายกรรมไปไหนกิเลสก็ตายอันนี้ไม่ได้ตายเพราะลูกเพราะกรรมตายเพราะเพราะเอาชีวิตเขาแรกผึงปังผึงผึงเลยบางครั้งถึงก็ว่าชีวิตนยังไม่มีเหลือเลยเออมันเคยฉลาดมากมันรู้กี่ครั้งเอาตายเอาเอาตายตายว่า ง, งั้นเลยชีวิตมันอาจหาด้วยนะเอาตายเธอว่า ง, งั้นเลยเกินมันคชาตินี้ยังไม่เคยตาย อาที่เด็ดไม่ตายให้าตายเราไม่ตายให้รู้กำลังขงจิตเมื่อมันเต็มที่แล้วมันเหมือนกับเอาหัวฟวาดภูเขานี่เหมือนกับหุบภูเขาจะแตกไป้ทั้งลูกทั้งสิี่หัวเราแหลกตล้แหละแต่นีหมายถึงความเด็ดของจิตเออเอาละหยิบละ